เหตุแห่งการหงายบาทภิกษุทั้งหลายสงพึงหงายบาทอุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์8ประการคือ 1. ไม่ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ลาบของภิกษุทั้งหลาย 2. ไม่ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย 3.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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้งายบาทอุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์แปดประการนี้